พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสร้างหีบทองให้ศพเน่าเมื่อวานประท่านรัชพาทัานอุทัยพิมพ์ใจชนผนมาใจบาดทอง ไซบาดพระส่งเรื่องมู่านเนี่ยพอไซบาดพลก็ะคืนไปกราบพระผู้ก่อนพอกราบพระผู้ก่อนเมื่อกันลงมาอีกตอนหลวงพ่อฉันยังหันแล้วก็ได้มาพูดมาคุยจากนั้นพระเงยยองคอยไปกราบพ่าอีกมั่งหลวงพ่อถามว่าอายุพนหลายไหนปะบอเป็นพีหลวงพ่อยิง่งเลย เจิบเจ็ด็ดสิบแปด่นพ่นว่าหลวงพ่อนี่เจ็ดสิบสองหลวงพ่อเป็นนองพ่นนองนองท่านอุทัย <c oughs> พิมพ์ใจชน <c oughs> เป็นผู้แทน <c oughs> เป็นรัฐมนตรี <c oughs> เป็นประธานรัฐสภาโอ้ <c oughs> เป็นหลายแนวยัยเป็นถือโอกาสมากาบเยี่ยมพระครูบาอาจารย์ทั้งอีสานมากกาบพระทั้งอีสาน เมือ่อในหลวงพ่อแจกน้ำมันพ่อแจกข้าวกรอนน่้าไปถ้ามากคือสิมมัสมั่งภูพุทาแล้วแจกอีกแจกหลายๆเดี๋ยวจะไปขายว่ะโอ้เด็หลายเอาไปขายหน้าจาไหมเพราะนั้หลวงพ่อจึงหมแจกลายแจกให้ได้ใมดแ้ว่ า, า, วา <c oughs> เมดเป็นวันมรณะของหลวงพอนะ่อแม่เมยม่อม ชี ป, ปอมหลวงพ่อจะว่าจะวันวันที่สิบวันที่สิบหกมั น, น, นไามาไ่ม า, าวันที่สิบหกตีวันที่ยี่สิบตีโอ้หลวงพ่อในจําพิดเว้ยหลวงพ่อเเววมอได้กะว่าหลวงพ่อว่าวันที่สิบหกย่อมแยของหลวงพ่อวันที่สิบสีเมษาหอนที่สดุดวันไปหอนช่วงหอนสิบสีเมษาหอน บาราปายปลายปีหลวงพ่อจากไปบรรณโยมพ่อจากไปวันที่ยี่สิบท่านว่าโอ้โหหนาวผู้บางคก้กนว่าร่่งองศาสององศาบางค้นว่าสามองศาแต่วันหนาวจากนั้นมากบเคยหนาวอีกเชื่อวันไปหนาวแบบนั่นวันไปหนาวอีลีปีนึ่ น, นะปีโยมพ่อในช่วงหลว ง, งพ่อมรณะตหลวงพ่อโยมพ่อตาย <c oughs> ยงพออายุเก่าสิหกปีนะยงแม่เก่าสิผาพ่นตกลงกันไหวตัวเมื่อหนึ่งหลวงพ่อไปเยี่ยมบ <c oughs> ่มีายายไปมีถุสองตายายหรืวะพวกลูกหลานก็ไปทำการทำงานหมดแหละสองตายายพิ้นฝ่า้านหลวงพ่อไปหอดก็เลยไปนัางนางแล้วก็ยงแม่ก็เขามานั่งใกล้ พจน์ที่บอกเนื้อไหให้ฟังหรอเ่าพ น, นังไก่กู้บ า, าอะไรเนี่้ขอน้อยเนี่ยที่ไปกรได้พจน์ว่าย่อมพอพนบอกว่าใ ห, ให้ขน้อยไปกรพจน์นที่ไปตามหลังมาจพนว่าพจนว่าห้ขน้อยไปกรพจน์นที่ไปตามหลังท่นเอ้ยพจต้องไปตั้ไปพร้อมกันทันแล้ววะ <dle up> ไปพร้อมกันหมดลจะไปฮะไปก่อนไปหลังวะทางย่อมพอได้โอ้โหคนบ่พรอยได้เงี่ยได้เ้าก็ะบอกดังๆหนูนไปพูดเท่าก็ยิมมนันเอาไปยิมเปย์โดนเอาไปเอาไปมายมม่อมแม่ไปก่อนอิเลี่นเอไปบอกกันได้อิลีนตัวสองเท่านี่นะหัวอายุอายุย่อมแม่น่ยเก้าสิบป่าย่มพอน่ยเก้าสิบหกคนาไปย่อมพอย่อมแม่ เพิ่นตายวันที่14เม ษ, ษายนยมพอเนี่ยพ่อไปไปลายปีกันไหมนะยมพอไปไหมน้อไปวันที่ออ20ท่านว่ายมแม่เนี่ยยมแม่เอาอมาล่งพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพอมาศูนย์ขอนแก่นอายุถึงขนาดนั่นแล้วบาดเนี้ยเขาก็เลยเจาะ โบมนพาหรอเจาะอไปเอาเหนียวออกมาโอ้เหนีวเหนิวใหญ่เยหนียวในถุงน้ำดีนะเขียวแปด๊ดคุยเขียวปัดเลยเหนียวในถุงน้ำดีเกือบท่อ ท, อทอหัวไม่โป่งลงพอนี่นะกมเด็กเลยวะหนไปของย่อมแม่พ่อตอมากเกันมันขัอักเสบตอมากอะไเป็นมะเร็ง อย่างนั้นผู้เฒ่าก็ปวดพ่อสมควรเดวยวก็เลยเอามารักษาอยู่ในวัดหน้าคำหน่อยของเขานี่แหละจากนั้นหมอเขาก็บอกว่าแต่หมอหมอผูพาตัดผลก็บอกเรา ว, ว่า <c oughs> แต่หลวงพ่อก็ถามหมอจากกรุงเทพน่ะ <c oughs> ที่เป็นลูกซิดลูกหาบอกว่านี่แหละเป็นมะเร็งในตับนี่เวลาจะนานเท่าไหร่คุณหมออ เปนว่าไม่เกินสี่เดือนนะเดี๋ยวนี้สิชิติถ้าเขาตรวจพบแล้วไม่เกินสี่เดือนสิบวันทุกวันนี้แต่ต่อไปเขาอาจจะมียาอาจจะต่อไปได้แต่เดี๋ยวนี้ทิสิติเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นกันเลยละเขาไปมา่ายโยมแม่ก็ได้สามเดือนกว่าโยมแแม่ก็เลยจากไป พอต่อมาย่มพอก็ได้อยู่บ้านเอบอ ก, บอกยมพอหูได้ว่าย่อมแปรไปส่ไปว่าย่อมแม่ไปหาหมอไปโร่งพยาบาลนะม่มีคได้บอกว่นไปผู้เท่าก็จมหาเนดะ้จมหายาย่าัไปแมสูไปใส่นอใช่ไหบ <laughs> คนเคยอยู่ร่มกันนีเปนหมอนพเหตุมัน อแม่สูไปใส่นอนันว่าแม่นอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ว่าพุทธวะลูกหลานกับแจ็กกี้วาจังไดน่นนะก็ะค้องสิกี่ตัวไปเรื่อยนะวะแต่หลวงพ่อก็บ่ได้บอกเห็ตัวนะวะพ่อต่อมาพุทธวะก็เลยเป็นเป็นไขวัดบ้านเนี้ยพอไขวัดหลวงพ่อก็เลยเอามาล่งพยาบาลค่ำเชีอีพอค่ำเชีอีมาแล้วก็ รู้สึว่าบาดีขึ้นเครื่องใหม่เครื่องมือของกะเจ้าบอพ่อก็เลยเอามาโลงพยาบาลขอนแกน่นโรงพยาบาลศรีนครินขอนแกน่นพอมารักษาเลยก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วบัานพ่อดีขึ้นก็ยังวานะมันมันเกี่ยวกับปอดเนะความความอ่อนแอของปอดของผู้เฒ่าอยูแอ่แล้ววาน้ก็เลยอาการก็ดีขึ้นแล้วบานฮะก็เลยเอามาวัดไป เจ้ามารักษาอยู่พี่ก่อนนะพ่อมาหอดมาเจอหนาวมือนั่นเรยวหนอไปหนาวยางมากแลยอยังโมเว่นเน่ ต, ต, ต, ต, ตพ่อมาเาพอ่อปานากมาเขาตูนำแข็งนั่งจันลักษณะนั่นแหอย่อมพอ่อโอยพ่อมาหอดพดเท่ากกบ ม, มีดถาดไฟอยู่แล้วมันว่าที่สูงไฟยาเดมกับวายูละ่ะมันหนาวแห้งหลายพ่อมาหอดพอถึงบุกีชโมงนะหลวงพ่อก็เลย หนาวออสะบั้นไปเรยเลยช็อกไปเร่ยเลยมรณะาภาพเพราท่านเพราะท่านขว AMB มุเออมเหมือดำหไดไปออพอมาหอดบุกีชั่วโมงย่อมพอก็จากไปแต่ว่าตามไม่จริงผู้เฒ่ากับอาการก็นนั้นอยังบอกว่าพ่อประทังนี่แหละพอจะออกมาจากโรงพยาบาลได้กับว่าได้อยู่ได้่ะอยู่โรงพยาบาล อพวกเนี่ยเราพวกควกุ้นผาดพวกหน่อยตาตากินเขา่าเจ้าก้อนเนี้ยคอยไปเนาะบอบอกินออกกูยามันนักรถพุทธวะกูกูบอกินออกกูอยามันนักรถพุทธวะพุทธวายัาาาายางบอกได้อยู่ได้คนไปขนาดกินเขา่ายังบอกินย่ามานัานนักรถคนไป <c oughs> พอมาฮอตโอจากไป หลวงพ่อขอจักสิวาจะไหนให้กั น, นว่าเห็ดจังไรล่ะเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ทั้งตาทั้งย่ายก็ได้มาประชุมอยู่นี่ยประชุมเพิ่งอยู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยนะเผาอยู่ในทั้งสองเถาน่ะ <c oughs> ทั้งสองโย ม, โยมพอยโยมแม่ น, <c oughs> นี้ก็เป็นมือครบรอบ <c oughs> วันตายของโยมพ่อแล้ว嘛เนี่ยลูกหลานทุกคนนะ อุทิศวนกุศลให้ผู้เฒ่าบอกวา่าผู้ใดแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยที่ทำบุญใหญ่คุณนั่นเดือนสามเพ่นทําบุญร่วมญาติร่วมพอล่วมแม่ร่วมพีร่วมน่องร่วมคณะศรัทธาญาติโยมทุกขูทุกคนนั่นแหะเดือนสามเพ่นเอาจิทําบุญรวมญาติกุทิศวนกุศล่วนใหญ่ถาวา่าผู้ใดที่ทํามาร่วมสางวัด ของเฮ า, เาจะตุปใจถวายวัดหรือว่าผู้บารเ ด, ดใบหรือผู้บารเดศถวายก็เด็กพู่ได้มาก อ, ออกกำลังกายกำลังศัพท์หลวงลับไปแล้วตกทุกข์แต่ยากจังไรก็อให้ผลจากทุกข์ทมีความสุขก็เลยค่อยมีความสุขจริงๆขึ้นพวกเฮาจะทําบุญร่วมญาติวันเดือนสามเพ่นทุกปี จัดมาตะครทําบุญวั่นคขปลอบคุณแม่ชีแก้วบัดนี้คุณแม่ชีแก้วหาะไปทําบุญไปทําบุญอยู่อำเภอคํามเชีีแล้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาแต่บัด น, นี้ห่อคนละทิทําบุญอุทิศไทยยอมพอย่อมแม่พีน้องทุกขู่ทุกคนนั่นแหละวันเดือนสามเพน อันนั้นก็คือทำบุญใหญ่ทาบุญร่วมกัน <c oughs> แล้วก็เมื่อวานหลวงเมื่อวานเนี่ยวัดของเรานะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะปัจจัยวัดป่านาคำน้อยของเราเนะี่ยถึงพวกเราจะน้ำท่วมวัดเสียหายจะต้องได้ใช้จตุปัจจัยทำถนนหนทางทำสะพานทำกาแพงซ่อมกำแพง ก็อปัจจัยก็คิดว่ายังพอเป็นไปได้แต่มันไม่มันไม่ท่วมน้ำใจเราน้ำใจของเรามันเหนือกว่าน้ำน้ำลาล่างเพราะนั้นคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้มอบไห้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อน้อยตำบลเสียงยืน อำเภอเมืองจังหวัอดอุดรธานีเป็นหมู่บ้านของน่แลหลวงตาหวัวใยที่บวชกระเพ้าเนี่ที่บวชถวายให้ละวันเกิดของ พ, พระพเทพนั่นแบวชก่อนที่ผนจ ะ, กะเกษียณเนี่ยผ เ, เอรีของผลพ่อบวชเดือนเมษานะ พ่อบวชจะว่าตามไม่จริงกเดือนตุลาั้งเพิ่งจะเกษียณเพิ่งก็กล่าออกเพิ่บวชแล้วเพิ่งก็บวซึเลนะ่อะ <c oughs> เพิ่งบวซึเลยก็ได้สองปีเลยด้อยก่อนบานเพิ่งก็บ่านจุฬาบ่านบอหน่อยได้เพิ่งก็ได้บอกว่าจากได้อาข้านห่องสมุทรหลวงพอ่อ่านนะ กับคู่บาอาจารย์กับชาวบ้านมากหลวงพ่อเออรับไว้พิจรารณาพ่อเลยเกือบสองปีลวงตาหวัวปวมาได้สองปีได้เปีนี้มาท่วงอีกวันพวกคู่พวกพ่ออ๋อลงเล่นบ้านเพลนนะอแต่พวกพ่อ อ, อ๋อหัวมันกระบวดที่นี่แล้วล่ะอพวกลงคู่ลงเล่นก็มาท่วงอีกเ อ, อ้ายังบอกท่านเลื่มอมเยอะโตเนวะยัย่งอยแล้วยังบอกท่านใดหลวงพ่อเออ เดี๋ยวจะหาะหลวงพ่อก็เลยหายไปเท่าใดแหละที่แรกที่แรกพ้นบอกว่าสองแสนเจ็ดคือสิพ่อหลวงพ่อฉันเฮ้าก็เลยเป็นหนีมาหลายปีแล้วพิจารณาหลายปีเฮ้าก็าเลยเพิ่มไปเป็นสามแสนวนลงไปหมู่ว่าเฮาเพิ่มไอ ป, ป, ปัจจัยพ้นสามแสนเน้อขนาศรัทธาญาติโยมหลูกหลานนะ่ะเฮ้ารับไปพิจรารณาเกือบสามปีวนลงไปยังค่อยให้เงินสามแสนวนลงไป เราก็กอนน่ะนี้อาทิตย์ก่อนน่นกันน่ะเอาอำเภอคำชะอีมาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอันนั้นก็นเป็นอาค่ารของหลวงอาจามหลวงปู่จามเขาสางขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อก็ให้เครื่องตรวจเลือดเ ค, อเครื่องทำเครื่องทําเลือดเครื่องแปลงเลือด แล้วก็เตียงให้กับล่องพยาบาลว่านเนี่ยอาคารเขาสางขึ้นมาแล้วเขาเขเลยเขามาหาจากใดเครื่องทําฟันหลวงพ่อก็เลยไปฉันฉันเมื่อปีที่แล้วมัหลวงพอ่อเออรับไปพิจารณาปีนี่เขาแลมาท่วงองีกโอ้โหท่านลืมตัเวเนว่าเอาพรท่านลื่มเขาก็หายหาไปสามแสนห้าเครื่องหนึ่งนะ เรื่องทำพันสามแสนห้าตีลวงพ่อได้เ่าไปแล้วล่ะแต่ร่วมแล้วทั้งให้ล่วงพยาบาลสามแสนห้าให้โรงเรียนอีกสามแสนพวกเข้าจ่ายส่งขึ้นสาธารณประโยชน์ 6, 500, หกแสนห้าเล้นะลูกหลา น, นะนเนอะบแมเงินหลวงพอ่ออกเป็นเงินวัด เป็นเงินวัดวาศาสนาเป็นเงินของพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเป็นผู้บริหารคิดว่าอันไหนจะเกิดประโยชน์ก็แบ่งใส่แบงควาแบ่งหนาแบ่งหลังประเทศชาติอยู่ใดศาสนาอยู่ใดศาสนาอยู่ใดประเทศชาติบาทเมืองอยู่ใดนี่แหละอันนี้หลวงพ่อจะนี่แบ่งปัจจัยให้กับโรงพยาบาล โรงเรียนนะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนถึงอย่างใดก็ตามพวกเฮาทางหลายแต่ในวัดของเฮาก็มือว่านก็หลงพอก็ไเปเยี่ยมไปดูขึ้นกันอาคา่านแอะจะกำแพงพวกกูบาพันก็โอ้กระมักกระเม่นกระทั่งหวยทรายน่หลงพอกาวาประมาณสัก ซีหาหมื่นขึ้สิแล้วมั่งแล้วก็คงจะไปทั้งหวยล่างอีกบาทนนึะ่แต่หวยล่างนะเป็นเรื่องใหญ่คงจะได้ใช้กําลังคนใช้กาลังปัจจัยพ่อสงควรตัว น, นั้นเพราะมันกว้างแล้วก็มันเป็นแหล่งนาใหญ่อีกที่มันผ่านขอมา้าตัว น, นั้นคงจะได้ใช้ปัจจัยพ่อสงควรอยู่แล้วก็จะได้ใช้กชําลังชาวบ้านแล้วก็คงจะได้ ใช้เวลาอีกนุ่มนานในเมื่อทำกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพอ่อคิดว่าคงจะมาทำถนนถนนภายในวัดตบัดที่ถนนมันขามมันขาดคงจะทำสะพานเหดสะพานมาเพราะวาตกรมันเป็นบกคอนเวิร์ดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมันไหลบอ่อท่านน้มไหลบอ่อท่านมันตัด มันกัดถนนเลยขาดห่างไปตั้งคู่บานับคู่นะคู่บาเอาตลับเมตรวัดประมาณา37เมตรป่ช่องนีแต่คิดว่าคงจะโ่รยเห็ดเหา่วปะนะนอกกับปรึกษากับนี่นะหัวนหน้าหน่อยเพราว่าเอาสักสิบเมร็รกระนาจะพ่อลงพอันแล้วก็ถมหัวมันมากซะแล้วก็เห็ดุงสูงขึ้นให้นามไห ล, ลอดได้ ก็บอกคอนเวิร์ดตัวเก่าก็ยังอยู่อกีกแอ่ตัวใหม่พอมาสักสิบเม็ดเพราะเล็กเล็กเส้นหนึ่งมันสิบเม็ดหลวงพ่อืเห็นด้วยว่ะเอาสัากสิบเม็ดก็น่า จ, จะพ่อล้วละ่ะนี่แหละอันนี้ก็ในว่างแผนกันไว้อยู่อันนี้สะพานในตัวสพานเนี่ยจะได้กินเงื่อนไหล <c oughs> กิ่นเงื่อนหลายกับตัวสะพานเนี่แหละแต่กำแพงมีส่วนขึ้นกัน อันนี้อันนี้บอกให้พวกเข้าศรัทธาญาติโยมเลยรับรู้รับทราบนะ <c oughs> การดำเนินงานเหตุไปหอดสายแล้วลงพอนะ <c oughs> เดือนนี้กันนี่อ <c oughs> ช่วงหนึ่งประมาณสักสี่หาหกสิบเมตรเนี่ยเกือบสีแล้วแล้ว แ, ว <c oughs> แต่จะยักอีกช่วงต่อไปอีกนะ <c oughs> อันนี้ก็คือคู่บาทั้งหลาย ช่ยกันดูกับชาวบ้านนะช่อยกันดูช่วยกันปิดกำแพงก่อนยังคอยกับจะมาเห็ดถนนนะถึง <c oughs> อย่างไรก็ตามคู่บาวงที่เพิ่นต่างอกต่างใจพาวนากพาวนาต่อไปหลวงพ่อกับบรมชมยเห็ดทุกขู่ทุกคนดอกเว้นเสียแต่มวนางานทางผุนเอิญ เออวันนี้ขอหมูพวกเพื่อนออน้องหนุ่งทางหลายพระทางหลาย อ, อมาช่วยทํางานโยธาเด้อขนปูนช่วยกันออยกกระป๋องปูนอันนั้นยังค่อยไปซอยกันแต่ก็ด้วยมากมันกระบอกได้ถึงงานนักขนาดนั้นหรอกพอมันมีเครื่องทุนแรงมาก็มีบอกคือตะกอนตะกอนมันแมนอิรินะ่ะ ต้องได้ใช้กำลังคนแต่ช่วงนี้กำลังคนเขาก็ บ, บรรมาตรานนบัมีเครื่องทุนแรงเขามาซอยกำลังคนกัมีแต่ใส่ใส่หัวใส่สติปัญญาธรานนบาตรนี่เป็นส่วนมากนะตัวนี้มันหนักๆเขาก็ใส่พวกเครื่องทุนแรงเขาไปหยกซอยฮ นี่อันนี้ก็คือส่วนพวกพระไข่ตาอกตั้งใจพวนาแล้วนะพวันวัดของเขาเนี่ถึงจะสร้างจังได้ก็ตามถึงจะเฮ็ดจังได้ก็ตามจุดหมุกหมายของวัดของเขาเนี่คือเรื่องจิตตะพะวนาเป็นหัวใจเป็นหัวใจหลักคือการทั้งไฟปริยัติผลขึ้นกันหัวใจหลักคืออย่างถึงจะก่อสร้างจังได้ก็ตาม หัวใจลักก็คือการศึกษาปริยัติธรรมคือการเลี้ยนการศึกษาหัวใจของเพลินคันหัวพระเน้นบ่ได้เลี้ยนบ่ได้ศึกษาบ่อยู่ในหลักพระทรมวินัยพระเน้นบ่มีศีลบ่มีวินัยถึงจะสั่งให้ดีปันได้าสั่งพ่อปานสั่งหีบสั่งหีบศพให้ผีตายอยู่นั่นแหละนี่คือกัน พระกรรมฐานเท่าคือกันวัดเท่เท่าคือกันที่จะสร้างรูหลาโออาขนาดไหนแต่ว่าพระเน้นในวัดของเท่าบวประพฤติปฏิบัติบวมีศีลบวมีถ้ำบวมีการภาวนาบวมีการปฏิบัติบวมีอะไรบวได้รักษาศีนก็ขึ้กันครับสางหีบสางโล่งล่งห ล, ลักปิดท่องยางดีนะอยู่ข้างในมิแต่ผีเนา่า อผี neau คืออย่างก็คือคนบมมีศีลบมมีถ้ำนะอยู่ในหันนะพระบมมีศีลมีถ้ำโบกขวรญจะเป็นจังสัน้นวัดของเข้านะี่คือคาแหยวัดถึงจะได้ก็ตามอยู่ทางนอกให้เป็นพาขี่เร็วแต่ว่าให้ห่อท่องให้พระเน้นของเข้าให้มุ่งมันในศีลในถ้ำในเรื่องสมาธิปัญญาอย่างหน่อยก็มีสมาธิละ่ะเออ อบรมเรื่องสมาธิให้จิตใจสงบให้ภาวนาให้จิตใจหนึ่งอให้จิตใจสงบให้บริกรรมตามแนวแถวอ <c oughs> พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงปูลงตาเปิดแนะนําสังสอนบอกกล่าวนะั่นแหะให้เอาจริงเอาจังผู้ดใดผูไใดไปเหตุการณ์เหตุงานก็เอานะ่ะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตําำนวัชช่วงใดที่ไปทําการทํางานก็เอายืดยุนออกไป คือกับการคือกกับอย่างสติกนะในช่วงที่มันยืดออกมากเอายืดออกมาใส่คันน้ำว่าบ่ยืดข้ามาใส่กับข้าประจำทภาวนาทํานาทีเรื่องจิตภาวนาของเจ้าของนี่แหละจะให้พวกเข้าเปน็นสันละพระเน่นลูกหลานคณะัทธทายาจโ่มพุทธิมาอยู่ประพฤติปฏิบัติในวัดของเ้านะบ่แมนิต มือไหนก็มือเกาเหเตเองเลงอย่างบา่อใดเดงานเต่งเลงอย่างบา่อใดเดมือภผ้วหน้ากับมือภผ้วหน้ า, ม, ม, า, น ม, ามืองานมือการมืองานเออา้อยกันห้ยืดหายุนอบอลแมนจะบอมองไปเลยก็บบอลใอีกมูทาการทางานตัวเองกับดูบอ่อแรกจะเรื่อยอันนั้นก็บ่ถือ พอเขาอยู่น้ากันย่ำนักก็ต้องนักน้า ก, กันย่ำเบาก็ต้องเบากบารย่ำต้องการโยธานะใครว่าใครทํางานโยธาเนะ้อช่วยกันนะเน้อเขาก็ต้องเขาไปช่วยว่ามันช่วยคู่มือคู่เว้นช่วยเป็นบางมือการมือใดเพิ่นบ่เอื่นเขาก็เอาภาวน า, าฟั่งมูฟั่งเพื่อนนะการอยู่ด้วยกันนี่แหละ ถึงจะอยู่มากหน่อยก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีน้ำใจคนมี น, ามนา้ า, น า, นนาใจอยู่น่ด้วยกันเลยสบายใจเลยต่างคนต่างผมมีน้ำใจอยู่น้ากันเลยมันแห่งมันถูกต่อจะเอื้นหากันก็ลําบากบาราเหล้วบาราศัยโมยูค่ายเขาเป็นเกาะโมยูเกาะอาศัยโมผู้ผู้ห้เกาะมันก็นักกันที่นั้น พอใะนั้นให้ต้องเบิงซอยๆกันคนละใหม่คนละมือต่าอ้อกต่้งใจภาวนาแต่เรื่องภาวนาเนะ่ยเป็นหัวใจเป็นหัวใจของวัดเท่าคือเรื่องจิตภาวนาให้พวกเข้าถือจังสันนะเรื่องการงานภายนอกเออเอาเป็นส่วนประกอบคือกันกับคนเท่านี่ยนะแมนยู วิชาอาชีพใดที่สําคัญแต่ว่าปัจจัยซีมก็สําคัญคือกันขันโมมีข่ขากินมุนุมันเทศอย่างใดๆมันก็อยู่บะไรขึ้นกันเพราะนั้นมันต้องอาศัยกันปันจจัยซีบิดทบาทมากกับมาชั้นชันใช่แล้ะนางพวนานะแต่จะมีแต่อาศัยปัจจัยซีย่างเดี๋ยวกินเข่าเรานอนกินเข่าเรานอนก็เพราะปัญเรียงหมูอีขึ้นเราแต่นี่ โม่เกิดประโยชน์มันก็ต้องมีทั้งสองอย่างทั้งปัจจัยซีก็จจำเป็นและ ก, การภาวนาก็จำเป็นอันนึงก็คือสรุปแล้วก็คืออาหารกายอาหารใจให้เข้าแยกให้ออกอาหารร่างกายก็คือการเป็นอยู่อาหารใจก็คือถึงจะเลี่ยงดีปันใดก็ตามร่างกายนี่มิแก่เจ็บตายในที่สุด จะทจําจ่างไรเท่าจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามแนวแถวอริยะประเภทนี้ของพระพุทธเจ้าที่พณในนําสังสอนบอกกล่าวพระพุทธเจ้าพนสอนอย่างไรเขาศึกษาบ่เนี่ยศึกษาแนวตามแนวแถวของเพณ น, นะเอาตอนนี้ไปและวปลับพอใ น, น บ, บ่เนี่ยนะพุทธนะไอ้สมชายมันหล่องแขงขึ้นมาเรื่อยๆวะ่ะมันที่บอกหนาวหนาวรู้ห่อนก็บอกูหงแล้ววะ่ะ